จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว right. ่าแท้จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพภักดีต่อบรรดาพวกที่ท่านวิงวอขออื่นจากอัลลอะเมื่อหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้ง จากพระผู้อภิบาลของฉันได้มาอย่างฉันแล้วและฉันถูกบัญชาให้นอบน้อมต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโ ล, นนลก ثمّ يخرجكم طفل ثمّ لتبلغوا أشدكم ثمّ لتبلغوا أشدكم ثمّ لتكونوا ش و خ ا ء ومنكم من ي ت و ّ ى من قبل ولتبلغوا أجل مسموم ولعلكم تعقلون. พระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วจากเชื้ออาสุจิแล้วจากก้อนเลือดและทรงให้เจ้าคลอดออกมาเป็นถารุแล้วพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยชกันและพวกเจ้าจะได้เป็นคนชาราและในหมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุ่มและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยที่ได้ถูกกำหนดไว้และเมื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาไค้ขวน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 เจ un ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้ที่โตเถียงกับบรรดาองค์การของอัลลอ์พวกเขาจะถูกหันเหออกไปอย่างไรร บรรดาผู้ปฏิเสธ ต, ต่อคำมภีร์และต่อสิ่งที่เราได้ส่งมาพร้อมกับบรรดาหรอดศูนของเราและพวกเขาก็จะได้รู้เมื่อห่วงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวนโดยที่พวกเขาจะถูกลากไป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 มมล ن ن แล้วจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าตัง้งพากี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 พวกเจ้าหลงระเริงอยู่ในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและเพราะว่าพวกเจ้าอ้วดดีจงเข้าไปในประตูทั้งหลายของนรกโดยเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้นฉะนั้นที่พำนักของพวกหยิงผยองนั้นมันช่างชั่วช้าจริงๆ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 ดังนั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไปอย่างเรา และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาหรอดสูนมาก่อนหน้าเจ้าบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราบอกเล่าแก่เจ้าและบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราไม่ได้บอกเล่าแก่เจ้าและไม่บางควรแก่หรอดสูนที่จะนำสัญญาณใดๆมา เว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮ์มาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกตัดสินด้วยความยุติธรรมขณะนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จก็จะขาดทุนอย่างย่อยยับอัลลอฮ์คือผู้ทรงทาปะสุสัตบางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้เป็นพาหานะ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 พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่า บ้านปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าของพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าพวกเขาและมีพลังเข้มแข็งกว่าและได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายในแผ่นดินดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่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 ครั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างรุนแรงของเราพวกเขาก็กล่าวว่าเราสัทธาต่อล่อองค์เดียวและเราปฏิเสธศรัทธา ต่อสิ่งที่เราเคยตั้งภาคีต่อพรุ่นแต่การสัทธาของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยในเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างหนักของเรา นี่คือแนวทางของลอตที่ได้มีมาแต่ในอดีตต่อปวงเบาของกลุ่มและขณะนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ได้ขาดทุนอย่างย่อยยับ